ไมไม่ต้องไปถามใครเพราะอะไร จะรักกันไม่ว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของใครปล่อยไปช่างหัวมันให้มันคิดกันไป สเรารักกันได้ไง รักกันก็ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่สนใจแม่ใครๆไม่อยากให้สองเราคบกันไปแต่ทุกคนยังแปลกใจและทุกคนก็หนักใจเพราะทุกคน สงสัยเรารักกันได้ไง